อัตภาพมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากเพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้สั่งสมบุญกุศลอย่างเต็มที่และสามารถเลิขิดชีวิตในสังสารวัตรได้ว่าจะให้เป็นไปในทิศทางไหนจะไปสวรรค์นิพพานหรือว่าไปอบายก็เริ่มต้นกันที่ความเป็นมนุษย์นี่แหละ คนส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตให้ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบุญบารมีเลยทำประหนึ่งว่าตนจะมีชีวิตอยู่เป็นพันเป็นหมื่นปีฉะนั้นในขณะที่คนอื่นกำลังประมาทหลับไหลหลงมัวเมาในสิ่งที่ไร้าสาระในโลกนี้อยู่ แต่พวกเราทั้งหลายจะตั้งไม่ประมาทกันให้ตื่นตัวในการสั่งสมความดีกันอย่างเต็มที่ให้สมกัที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเราต้องสร้างบา ร, รมีแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วนะจ๊ะมีธรรมภาษิต ท, ที่ปรากฏในมหาโพธิชาดก ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดได้รับสมมุติว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดถ้าแม้ผู้นั้นประพฤติ ธ, ธรรมไม่จำต้องกล่าวถึงประชาชนแต่พระราชาทรงดำรงอยู่ในธรรมชาวเมืองทั้งปวงย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดเก็บผลดิบมา ผู้ น, นั้นย่อมไม่รู้รสแห่งผ ล, ลไม้นั้นทั้งพืชพัน์แห่งต้นไม้นั้นก็ย่อมพินนาศรัฐเปรียบด้วยต้นไม้ใหญ่พระราชาใดทรงปกครองโดยไม่เป็นธรรมพระราชานั้นย่อมไม่รู้จักรสแห่งรัฐนั้นและรัฐของพระราชานั้นก็ย่อมพินนาศ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดเก็บเอาผลสุกมาผู้นั้นย่อมรู้รสแห่งผลลำไม้นั้นและพืชพันแห่งต้นไม้นั้นก็ไม่พินาศรัฐเปรียบด้วยต้นไม้ใหญ่พระราชาใดปกครองโดยธรรมพระราชานั้นย่อมทรงทราบรสแห่งรัฐนั้นและรัฐของพระราชานั้นก็ไม่พินาศ เมื่อครั้งที่พระสมมาสมุทรเจ้าเสด็จจาริกไฟโปรดเหล่าเวณนัยศัสตร์ทั้งหลายพรงทรงสแสดงอริยสัจสี 4, ซึ่งเป็นหัวใจในการนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์จนมีผู้ตัดสู้ตามพระองค์นับไม่ถ้วนและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงปลูกฝังคุณธรรมสำหรับการดำเนินชีวิต ไว้ชีวิตมีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยในสังสารวัตรงตอบปัญหาธรรมะอันลึกซึ้งซึ่งสามารถชนะใจบรรดาผู้ น, นำแว่นแควนกษัตริย์มหาศาลไปจนถึงบรรดาพระมนาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้นจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วชมพูทวีป แม่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ยังเดินทางมาเข้าเฝ้ารับฟังพระพุทธวจนะเพื่อนำไปปฏิบัติมีทั้งเรื่องรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังธรรมภาสิทธิ์ที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมา ก, กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะเพราะก่อนตัดสรุธรรมนั้นโลกก็ทรงสาเร็จ ศิลปศาสตร์มาถึงสิบแปดสาขาดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้เลิศด้วยพระปัญญาที่คุณที่มีความรอบรู้ทั้งวิชาการทางโลกและก็วิชาชีวิตที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์สำหรับวันนี้หลวงพ่อจะนำอัริยภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้า ในด้านรัฐศาสตร์การปกครองและการบูชายันตามหลักพุทธวิธีโดยผ่านเรื่องราวจากกูตะทันตสูตรสำหรับกูตะทันตสูตรนี้เป็นปัะสูตรที่เกิดจากกูตะทันตพรามได้ทูลถามพระบรมศาสดาเกี่ยวกับการบูชายัน ที่ถูกหลักวิชาพระผู้มีประภาคทรงอธิบายพิธีบูชามหายันสามประการซึ่งมีองค์ประกอบสิบหกอย่างโดยการยกเอาพิธีบูชามหายันของพระเจ้ามหาวิชิตราชในสมัยอดีตมาตรัสเล่าประกอบเรื่องย่ยอๆก็มีอยู่ว่า พระเจ้ามหาวิชิตราทรงมีพระาราชทรัพย์มหาศาลมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระครังทรงทำสงครามได้รับชัยชนะจนได้ครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลวันหนึ่งสมรสอ์จะทำวิธีบูชายยันขอความสุขสวัสดีแกบโรงเอง และเหล่าอาณาประชาราษจึงทรงปรึกษากับพราามโปรหิตว่าจะทำอย่างไรดีพราามโปรหิตจึงกระาบทูลแนะนำให้ทรงทำเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งให้ทรงปราบจรนผู้ร้ายแบบถอนลากถอนโคลน เพอไม่ให้กลับมาเป็นเส้นหนามของแผ่นดินอีกต่อไปโดยวิธีการสมอย่างคือวิธีที่หนึ่งให้พระราชทานพันธุ์พืชและอาหารแก่เกษตรกรผู้ขยันในการทำเกษตรวิธีที่สองให้พระราชทานต้นทุนแก่ราสฎาลผู้ขยันในการค้าขายวิธีที่สาม ให้พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ขยันในหน้าที่ราชการพระเจ้ามหาวิธีตราสทรงปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัดกลอบปรากฏว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งคือพระราชทรัพย์กลับเพิ่มพูนมากขึ้นบ้านเมืองก็ไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่ต้องปิดประตูเรื อ, อนอนณะาประชาราชก็อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าเมือเ่อดำเนินการขั้นที่หนึ่งสำเร็จแล้วต่อมาก็ขั้นที่สองทรงมีรับสั่งถึงบุคคลในพระราชาอาณาเขตสี่พวกคือหนึ่งพวกเจ้าผู้ครองเมืองต่างๆที่ขึ้นกับพระเจ้ามหาวิชิตาราช 2. พวามหาอราชบริพารผู้ใหญ่ 3. พวกพระมหาสารซึ่งเป็นผู้มีทรัพย์มากสพวกฤาษีบดีมหาศารเพื่อขอให้บุคคลเหล่านั้นรับทราบการพระราชทานพิธีบูชามหาญา์และขอความเห็นชอบด้วยซึ่งปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้น ตอบรับด้วยดีคำรับรองนี้เรียกว่าอนุมัติสีเจ้าบุคคลสี่พวกถือเป็นองค์ประกอบสประการในองค์ประกอบทั้งหมด16ประการต่อมาก็เป็นขั้นที่สให้ตรวจหาคุณสมบัติ8ปประการของเจ้าของที่จะทาพิธีบูชามหายันและคุณสมบัติ4ประการ ของผู้ประกอบพิธีปรากฏว่าทั้งพระเจ้ามหาวิจิตราชและพรามปุโรหิตต่างก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามตำราจึงเป็นอันได้องค์ประกอบของมหายันครบทั้ง16ประการที่พรามปุโรหิตให้พระเจ้าวิจิตราชทำอย่างนี้ก็เพื่อ จะได้ไม่มีใครคระหานินทาได้ในภายหลังคันดิซีให้ทรงวามพระไทยในการบูชามาหายันสามประการคือต้องไปทรงเดือดร้อนพระไทยว่า 1. กึกองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราจากสิ้นเปลืองไป 2. กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเรากำลังสิ้นเปลืองไป 3. กองพกสมัตรของเราได้สิ้นเปลืองไปแล้วขั้นที่5ไอ้ทรงวางพระไทยในผู้มารับทานซึ่งก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันโดยทรงตั้งพระไทยเจาะจงให้แก่ผู้ถึงงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเท่านั้นขั้นที่หกในการทำพิธีบูชามาหาหยันนั้น ไม่ต้องฆ่าแพะแกะไก่สุกรและสัตว์อื่นใดไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่ามาทำหลักบูชายันพวกชายกรรมกรขอพรรเจ้า ม, มหาวิชิตราชก็ไม่ต้องถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ตนไม่ต้องการซึ่งจะ ต, ต้องใช้ในวิธีมีเพียงเนยใสเนยน้นนมเปรี้ยวน้ำมัน น้ำพึ่งและก็น้ำอ้อยเท่านั้นพระพุทเจ้ามหาวิชิตราษท์องเตรียมการเสร็จตามขั้นตอนแล้วเราจะผูกรองเมืองอมาตะพรหมณมหาสาลและพวกข้าพบดีมหาศารก็ได้นําทรัพย์จำนวนมากมาร่วมในพิธีนั้นด้วยแต่พระเจ้ามหาวิชิตราชทไม่ทรงรับกลับเพิ่มพระราชทรัพย์ ไอ้กับบคลลนั้นอีกด้วยบุคคลทั้งสี่กลุ่มนี้เมื่อได้รับทรัพย์กลับคืนมาแล้วก็ให้ตั้งโรงทานขึ้นในทิศทั้งสี่ของหลุมยันคือพวกเจ้าผู้ครองเมืองตั้งโรงทานในทิศตะวันออกพวกหมาดในทิศใต้พวกรามหาสาลในทิศตะวันตกและพวกเครือข บ, บดี ในทิศเหนือแล้ททำการแจกทานไปพร้อมๆกับพระจำ ม, มหาวิชิตราชกูตะันตพรามได้ทูลถามพระผู้มีระภาคเจ้าว่ายังมียันอย่างอื่นที่เตรียมการน้อยแต่มีผลมากกว่ามหายันดังกล่าวหรือไม่ทรงตรัสตอบว่ามีคืินนิตยทาน การให้ทานเป็นประจำกับผู้มีศีลส่วนที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากก็คือการสร้างวิหารอุทิตถวายแก่สงฆ์จากทิศ ท, ทั้งสี่การถึงพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกการสมาทานศีลห้า <c oughs> การออกบวชประพฤติพรหมรจันตั้งอยู่ในศีลสมาธิ ปัญจาจนได้ชานสี่ไม่ได้ชานสีแล้วก็จเจริญภาวนาให้ยิ่งๆิงเห็นไปจนได้วิชาแปดและกระแดบบุรุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดกูตะทันตพรามเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาขอประกาศตนเป็นอุบาศกและขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต แล้วสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหมดที่เตรียมไว้มาได้ฟังอนุบุพิกถาต่อไปอีกก็ได้บรรลุประโสดาบันทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องยหอๆ่ๆกูตะท่านต่อสูตรส่วนรายละเอียดเราก็จะมาติดตามรับฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ ก็ให้ขยันนั่งธรรมะกันนะจ๊ะปฏิบัติไปจนกว่าจะได้เกิดถึงพระธรรมกายกันทุกทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร้องบังเกิดขึ้นเอาไวใ้ใจสร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นไอ้มีสุขภาพพรรณนำ้ำไม้สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบรมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นโซกเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกไอมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินท